3. เว้นจากการประพฤติผิดในสิ่งมิใช่พรหมจรรย์ 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัย 6. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการมั่นคงไม่ละเมอตลอดสองปีก่อนที่สตรีผู้นั้นจะได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีจะต้องสมาธานประพฤติในธรรม6ประการ น, นี้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 ต้องประพฤติธรรมหกประการครบสองปีแล้วพิษุณีสง์ให้สมมุติการอุปสมบทด้วยยติทุติยกรรมวาจาแล้วและต้องไม่มีอันตรายกธรรมวิธีขอสมมุติการอุปสมบทจากพิษุณีสง์หลังจากสตรีนั้นประพฤติธรรมหกประการครบสองปี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 เด็กหญิงชื่อนี้ผู้นี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ12ปีในวงเล็บเด็กหญิงที่มีสามีแล้วได้ศึกษาในธรรม6ประการตลอดสองปีแล้วขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงให้สมมติการอุปสมบทแก่เด็กหญิงชื่อนี้ผู้มีอายุครบ12ปี ผู้ได้ศึกษาในธรรมหกประการตลอดสองปีแล้วนี่เป็นยัตเติแม่เจ้าเจ้าค้าขอสงฆจมฟังข้าพเจ้าเด็กหญิงชื่อนี้ผู้นี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบสิบสองปีได้ศึกษาในธรรมหกประการตลอดสองปีและสมมุติการอุปสมบทต่อสงฆ์ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว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 จากนั้นถามอัตรา ย, ยิกธรรม22ข้อฝ่ายภิกษุณีมี13ข้อจากนั้นภิกษุณีผู้ฉลาดผู้สามารถพึงสวดประกาศให้ภิกษุณีสงสารด้วยยัตติจะถุตกรรมมาวาจาเป็นหนังสังฆกรรมในฝ่ายภิกษุณีว่าแม่เจ้าเจ้าค่าขอสงจบังฟังข้าพเจ้านางผู้มีชื่อนี้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 ภิกษุณีสงให้สมมติการอุปสมบทด้วยยัติทุติยกรรมมวาจาแล้วต้องไม่เป็นผู้มีอัตรายิกรรม22ประการภิกษุณีสงบวชได้ด้วยยัติจะตุตถกรรมมวาจาภิกษุสงรับรองหรือรับทราบให้ด้วยยัติจะตุตถกรรมมวาจา 2. กรณีอายุ20ปี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 ภิกษุณีสง์ให้สมมติการอุปสมบทด้วยย ma ัติทุติยกรรมวาจาแล้วต้องเป็นผู้ไม่มีอัตตรายิกยธรรมยี่สิบสองประการภิกษุณีสมบวตให้ด้วยยัติจะตุตถกรรมวาจาภิกษุสงรับรองหรือรับทราบให้ด้วยยัติจะตุตถกรรมวาจาภิกษุณีสงบวชให้ด้วยยัติจะตุตถ ah กรรมวาจ <Poppy> า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 ที่อุปสมบทจากสงฝ่ายเดียวคือพวกเจ้าหญิงสักยะ500ท่านอุปสมบทจากภิกษุสง์เท่านั้น 2. ที่อุปสมบทจากสงสองฝ่ายทั้งฝ่ายพิกษุณีสงและภิกษุสง์สงได้แก่ภิกษุณีอื่นๆที่เหลือไม่มีพิกษุณีใดได้รับการบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา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 1>, 1. พระพุทธเจ้าทีปังกร 2. พระพุทธเจ้าโกนธัญญา 3. พระพุทธเจ้ามงคระ 4. พระพุทธเจ้าสุมณนะ 5. พระพุทธเจ้าเรวตัตตาพระพุทธเจ้าสโสพิตา 7. พระพุทธเจ้าอนุมัตทัศนสี 8. พระพุทธเจ้าปทุมะ 9. พระพุทธเจ้านารัต tha ส